พอนอนอนแดดพระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา ให้พ า, ก, นนาพ ก, การนั่งขัดสมาธิเพ็รให้ได้ทุกๆคนการนั่งขัดสมาธิเพ็รนั้นแสดงความองค์อาจกลาหารเคอแสดงออกว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสลาคะทะโมหะให้ได้ชัยชนะ เหมือนอย่างพรับพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลมม้มไมโพพระองค์เอาชนะได้เราทุกคนก็ได้มาสู่สถานที่วิเวภาวนารรมผาปล่องนี้เป็นที่วิเวเป็นที่ภาวนา เราทุกคนก็มาถึงสถานที่นี้และได้ล่ำลองมานานว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่เงียบสงัดภาวนาบัดนี้สถานที่ภายนอกนั้นก็เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์หางไกลาจากที่ชุมนมชน ไม่มีเสียงลบกูลที่ว่าเสนาสะนะสบายะที่โยอาศัยเป็นที่สบายป่อนนาว่าที่นี้ก็เป็นที่สบาย เมื่อเรามาอยู่ในที่สบายจิตใจเราไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญลั่วไหลไปที่อื่นรวบรวมกำลังจิตกำลังใจปล่อยวางเรื่องราวภายนอกจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรขัดข้องสงสัยกาตะไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อเรานั่งคัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตาเึกภาวนาพุทธโธพุทธโธนี้เป็นคนพระพุทธเจ้าเรว่าพุทธคนคนพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสลู้ในโลก อะไรทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในประเทศบ้านเมืองเราจะไม่มีวัดวา ศ, าศาสนาบทวิหารเจดีศาลาการประเรียนวิหารเราจะไม่เห็นไม่เห็นพระสององค์ขาเจ้าะห่ผมผ้ากาสาวพัด ผ้าเหลืองผ้าขาวจะไม่มีที่เราเห็นนี้ก็คือว่ามาจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งสมาธิภาวานาเดินจงกลมรวมจิตรวมใจของพระองค์ในวันวิสาขบูชาเดือนหกเพน พระองค์ไม่ปล่อยปาดละเลยให้จิตใจกิเลสนั้นๆเข้ามารบกวนใจของพระองค์ได้บทภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนา แต่จิตใจของพระองค์กล้าหารที่สุดเลี้ยวสละชีวิตสลักตายถ้าไม่สลัตายแรงมันสู้มันไม่ได้มานกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะ มันเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเราเราต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอันกระพุทธเจ้านั้นพระองค์เอาชนะได้แล้วสละชีวิตลงไปได้แล้วกีรติความโกรธได้แล้ว ตัดกิเลสความโลภได้แล้วตัดกิเลสความหลงได้หมดสิ้นแล้วละกิเลสร้อมทังวาสนาในวันเดือนหกเพนเสร็จเรียบร้อยแต่พวกเราทั้งหลายนี้ยังโยยังห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปต่างๆ น, นานา เพราะยังไม่เสียสละเต็มที่ความจริงก็คือว่านั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจไม่ควรให้ไปที่อื่นให้จิตใจน้อมเข้ามารวมเข้ามาใจคนเราไม่แสมันอยู่นอกร่างกายไป ที่เราเห็นต้นไม้โูเขามันอันนั้นมันลูกกตามันมองออกมาทางสายตาก็เห็นต้นไม้ภูเขาแล้วใครเป็นผู้มองมาคิดออกมานั่นท่านเรียกว่าจิตดวงผู้ลู้โยในตัวเราทุกคนจงรวมกำลังจิตใจ ให้มาโยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นั้นดวงจิตที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่เลึกซึ่งจนกระทั่งมองไม่เห็นเราหูดีฟังเสียงได้ยินเสียงนี้มันจะลอยไปในอากาศกระทบโสดหูไปรู้ที่จิต เจตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะเหมือนคนเหมือนลูกแก้วไม่มีเหมือนเรามองไปในอากาศไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวในใจอันนั้นเวลารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เสียก่อน จึงจะโลดจัดกโลดแจ้งเมื่อภายหลังว่ากิเลสนั้นมันซึมซาบอยู่ในจิตใจดวงนี้แหละกิเลสความโกรธมันก็โยที่จิตใจดวงผู้โลกผู้คิดผู้นึกนี่กิเลสความโกรธความโลภความหลงมันไม่ใช่มากมายมันอยู่ในใจนั่นนหะ ถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นลงไปไม่วันไหวพุทธโธลงไปในหัวใจจิตดวงที่โูโยทิไหนก็ตั้งลงไปให้มันมัน่นคงความยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนไม่ให้มี ตัวตนของเหล่านี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมระชมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราแท้แล้วเยิมโลกเขามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีของเราให้แก่กล้า ทานะบาลามียังไม่เก่กล้าเราก็จะต้องทำทานะบาลามีศีลบาลามียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่เก่กล้าเราก็จะได้บำเพ็ญศีลบาลามีนับตั้งแต่หลักศีลห้าขึ้นไป วเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักขโมยวัตถุเข้าของของบุคคลผู้อื่นเว้นจากกระเพิผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวา่าเว้นจากดด่มกินสุลาเมลัยแนวนหลักศีล5หลักศีล8ศีล1227ขึ้นไปเป็นการฝึกจิตฝึกใจ สังวรละวังกายวาจาได้แล้วก็เหลือจิตจิตนั้นมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของจิตมันมีอยู่ห้าอย่าง ได้แก่โลกเมื่อเห็นโลกแล้วโลกนั้นแหละมาเป็นอารมณ์ในจิตถ้ารูกดีก็ชอบคอคอใจถ้าโลกคี้ลาล่ขี้เหล็ก็เกลียดชังอยากจะให้มันตายไปเสีย hmm. อันนี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเสียงดีเสียงเคราะห์ก็ชอบใจร้องลำมทำเพลง ถ้าเสียงเขาดุดาว่าไลายป้ายสีให้ก็ไม่พอใจนั่นนะจิตมันมีอยู่ตรงนั้นแหละกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมแล้วก็ชอบใจถ้าเป็นดอกไม้ก็เอามาดมเอามาเนบหูถ้ามันใกล้จมูกอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสในใจ แล้วใจได้แลเมื่อรถอาหารมันผ่านลิน้นโดยที่ไม่พิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานไม่ได้พิจารณาว่าการบริโภคนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเจตมันก็มาหลงติดอยู่ในรถอาหารการกิน เวลาเล่าภาวนานี้เป็นเวลาสงบเป็นเวลาละวางไม่ให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ไม่ให้จิตใจมายินดียินลายที่ท่านให้นึกบริกรรมพุทโธโยในตัวในใจนั้น เพื่อรวมกำลังให้ตั้งมั่นภายในจิตนั้นแน่วแน่มั่นคงไม่ให้หลงไหลเมสติสัมปชัญญะสติความระลึกได้สตินี้เป็นการฝึกให้เจริญมากมากแล้วจะไม่หลง สติก็คือจิตใจดวงผูู้้ที่ว่านี่แหละตั้งมั่นลงไปแล้วก็ลลึกไม่ให้มันหลงเวลาร่างกายลูกปขันนั่งสติก็ต้องระลึก ว, ว่านั่งแบบไหนสติความระลึกใดต้องโดตัวเองนั่งให้รอบขอ รู้จิตรู้ใจโยภายในไม่ให้พลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาญนะภายนอกคนเท่ขาดสติไม่ว่านั่งสมาธิภาวนาก็หลับไหลไปก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา ขาดหมดทุกอย่างทุกประการคำว่าสติความหละลึกได้ก็จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แห ล, ละหลัลึกขึ้นมาที่นึกบริกรรมพุโทโธก็คือว่าหัดสตินะหัดใจนั้นให้มีสติหละลึกอยู่ไม่ลหลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งหมด เดินจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาธรรมดาจิตใจคนเหล่านั้นท่านเปรียดอุปมาเหมือนอย่างว่าทาลกที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้อะไรถ้าบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าไม่ดูแล ทารกนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายมันยังไม่รู้อะไรพัดตกข้อหักเที่คนเราเหลือมานี้อาศัยบิดามานดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้มันจะตกเขาก็จับไว้ไม่ให้ตกไป แต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วคนเรามันก็ลืมบุญคนของผู้อื่นที่เพิ่นดูแลให้เมื่อเรามาภาวนาก็ให้ตั้งใจขึ้นมาละลึกขึ้นมาดวงสติคือจิตละลึกอยู่ ท่านให้ละเลิกโยเรียกว่าสติปัฏฐานสีละเลิกพิจะะารณาโย่ในกายในกายหมายถึงขาสองแขนสองสี่สะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบท่านให้เอาสติมาละเลิกดูกายนี่นะ ภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประดานต่างๆแต่เมื่อเราไม่กำหนดที่จะรละน่นเจ็ดมันก็ประมาทโม่เมา เห็นเป็นความสวยของงามของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมันรอความแตกดับอยู่ตลอดนีหละ่ะจงรวมจิตใจลงไปละลึกพิจจรณาในร่างกายสังขารอันนี้แล้ววละลึกอยู่ในกาย จนแกมแจ้งทุกส่วนทุกประการในร่างกายสังขารนี้จนไม่หลงไม่คิดไปในทางหลงคิดไปในทางโลกส่วนเวทนาก็ต้องระลึกศกเวทนามาถึงเข้าทุกเวทนามาถึงเข้าเฉยๆ เ, เวทนามาถึงเข้า ท่านก็ต้องให้ใช้สติความละลึกได้ไม่ให้ลหลงไหลไปตามเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนั้นเรีว่าองสติลลึกดูกาดูเวทนาดูจิตความคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไร ก็ต้องเอาจิตใจดวงโพโลมาคิดมานึกมาภาวนาเนี่ยเองให้สงบลัครับตั้งมั่นลงไปคำว่าทรรมหรือว่าทำรร ม, มาลมอารมณ์เรื่องราวที่มันผ่านมามันก็มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตกายเวทนาจิตธรรม สี่อย่างนี้เรียกว่าสติต้องระลึกพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงไม่ให้เพียงแต่ว่ามายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเราจะกำหนดพิจารณาอะไรไม่ได้อันนี้เป็นความผิดความหลง พระพุทธเจา้าพระองค์เตือนว่าให้มีสติความระลึกได้ข้อแรกท่านก็ว่าให้ระลึกพุทธโธตั้งจิตให้มันมั่นในใจเอาจนตั้งมัน่นลงไปได้จริงๆใจคนเรานี่นถ้าฝึกให้มันตั้งมัน่นมันก็ตั้งมัน่น ถ้าไม่ฝึกไม่ฝนปล่อยให้มันไปตามอารมณ์กิเลสราคะโทสะโมหะก็เมาไปอย่างนั้นละไม่มีความรู้สึกตัวต้องตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ระลึกโยนัยกายเวทนาจิตธรรม รวบลัดเอาดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้โยภายในให้โยทีนี้ไม่ให้แสสายไปที่อื่นที่อื่นไม่ใช่ที่โยของจิตจิตคนเรามันโยในกายในรูกประขันนี่แหละก่อนที่จะได้เนื้อนังมังสังตัวตนอันนี้มา ต้องไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้งสิ์เดือนจึงได้ร่างกายสังขารอันนี้มาเมื่อได้มาแล้วก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาเคลิดเลินไปตามอันนี้ไม่ได้เพราะร่างกายสังขาร น, นี้เป็นของเป็นเครื่องใช้ชั่วคราว มนุษย์ยกนี้สมัยนี้อายุไม่ค่อยถึงร้อยปีก็ต้องตายแล้วเราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามลูกนามไม่ได้ต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ที่เราจะทำได้ ก็ต้องตั้งใจตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปไม่ปล่อยตาละเลยนั่งก็มีสติระลึกอยู่ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติอยู่ความระลึกดัคคาบริกรรมในใจอยู่มัน่นคงหนักแน่นอยู่ในหัวใจพุทโธอยู่ที่นี้ ธรรมโมก็อยู่ที่นี้สังโฆก็อยู่ที่นี้อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ส่วนสังขารมานจิตปรุงจิตแต่งคิดนึกเรื่อยเปื่อยไปไม่ต้องตามมันไปตามไปไม่มีที่สุดที่สิ้น ตามกิเลสตัณหามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาตไม่ท้วนแล้วมาบัดนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ตามไปเราจะภาวนาพิจารณาสงบจิตใจดวงนี้อยู่เมื่อจิตใจดวงนี้อยู่แล้วก็จะต้องกําหนดให้รู้จักหลักอนิจจัง ทุกขังอนัตตาสอนจิตใจดวงนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาบหานขึ้นมาจิตใจทอแท้อ่อนแอกลัวตายไม่ให้มีตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไปให้เป็นดวงหนึง่งดวงเดียวให้ได้ วันไหนคืนไหนใจไม่สงบข้าจะไม่นอนข้าจะนั่งภาวนาถ้าจิตมันยังเด้อห่าอยู่เราจะนั่งให้มันตายหเหมือนพระพุทธเจ้าของเราองค์ว่า ถ้าตรัดสโลไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกไปเสวงหาอาหารและบินธบบาทมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปพระองค์ท่านจะนั่งภาวนาให้มันตายในล่มไม้นั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ต้องมีจิตใจแน่วแน่เหมือนพระพุทธเจ้าจึงจะตัดได้ละได้ปล่อยได้วางได้ ไม่ทำตามอำ น, นาจกิเลสความโกรธ บ, บอกให้ทำไม่ทำตามอำ น, นาจกิเลสความโลภโลภะจิตบอกให้ทำไม่หลงไปตามอาวิชชาตำหาในจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสบอกให้โลกเราจะภาวนาทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน มันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมันมีอยู่ในใจนั่นแหละแต่ถ้าไม่รวมไม่สงบลงไปมันก็ไปทั่วถ้ารวมสงบลงไปแ้วมันก็มีใจดวงเดียวนั่นแหละเอ็กังจิตตังทำจิตให้เป็นดวงเดียว เอโกธรรมโมทรรมใจให้เป็นดวงเดียวไม่ให้แส้สายลุ่มหลงไปใไนที่ไดๆเอาจิตใจดวงนี้มัดจิตใจดวงนี้ด้วยสรรมถธรรามฐานจิตสงบหลงับมัดไว้เอาวิปัสสนากรรมฐาน พิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งภายนอกภายในทั้งส่วนตนและบุคคลผู้อื่นจนสิ่งที่จิตเคยลุ่มหลงมัวเมามาแก้ไขไม่ให้ล่มหลงมัวเมาอีกต่อไปแล้วตัดในใจให้มันขาด อะไรกระทบตากระเทือนหูก็ทําใจให้ว่างแล้มันเฉยไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาไม่มีที่สิ้นสุดเจตใจดวงผู้โรโยที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้ส ง, งบอยู่ที่นี้เห็นจริงเห็นแจ้งอยู่ที่นี่ไม่ต้องให้มันมาหลอกลวงอีกต่อไป จิตใจของผู้ปฏิบัติจะได้มั่นคงลงไปเกิดแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แก่ชลาเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดก็แตกดับตายไปตายไปแล้วจะได้อะไรไม่มีอะไรได้เมื่อยังมีชีวิตลมหายใจอยู่อย่างนี้แหละเราจะต้อง ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมทำละอิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเราจะไม่เป็นคนประมาทโมเมาอีกต่อไปทุกขังอริยสั จ, จ ทุกเป็นของจริงมีโยในโลกนามตัวตนคนเราทุกคนอยาได้มาหลงหยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดชาญยึดตะโกนตัวโกของโกตัวข่าของข่าตัวเราของเราของเราที่ไหนของโลกเขาโลกกิเลสมันสร้างขึ้นมา สรางขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลอกลวงให้ลุ่มล้นมัวเมาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้เราจะต้องทำความเพียรภาวนาในจิตใจดวงนี้ให้มั่นคงหนักแน่นลงไป มีสติทุกเวลามีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีปัญญากะเดี้ยวฉลาดสามารถอหารรอบรูปในกองสังขารไม่ให้จิตใจวันไหวสันสะเทือนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสพอทพระธรรมมาลมเอาจิตใจดวงนี้ให้ว่าง วางเฉยลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกิเลสอะไรมันยังพองผ่านอยู่ในใจก็ตัดละลงไปให้มันหมดสิ้นเหลือดวงจิตที่บริสุทธิ์่องใสสะอาดไม่เจือปนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภพพะธรรมาลม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบส่วนที่เป็นกุศลอยู่ในใจิตในใจของตนดวงจิตดวงใจไม่เคยไปโย่ที่อื่นมันโย่ในกายนี้เราได้ยินเสียงนี้ก็คือว่าใจนั่นแหละโ ย, ย่ที่นี้ถ้าใจมันออกจากเรื่องนี้ไปเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้ คนเราจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ในเมื่อเวลามันยังอยู่ในโรคประขันนี่นหละเมื่อโยในโรคประขันมันจะได้รู้จักว่ามันสุขมรทุกสบายไม่สบายอย่างไรร้อนหนาวมันรู้อยู่นี่แห ล, ละเมละอทำความเพียรปฏิบัติบูบชา สึ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รล้อยู่ออกไปทั้งหมดไม่ต้องไปหลงต้องใหู้ลว่าอานิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทุกขังใครไปยึดไปถือไปหลงก็เป็นทุกจิตทุกใจอนัตตาคือสำคัญผิดคิดว่าเราตัวเราของเรา ความจริงมันไม่เป็นของเราของธาตุโลกเขาอาศัยจีเลตันหามานะทิฏฐิเป็นเครื่องยึดเหนียวให้ติดให้ค้องให้หลงอยู่ตั้งหะเวลาตายจากโลกนี้แบกหามอะไรไปได้ทิ้งไว้ทั้งนั้น ต่อไปเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งใดๆเรียกว่าพุทโธยิดใจดวงผู้โลโยที่นี้ตามโลตามละตามปล่อยวางกิเลสตัณหามาณนะทิฐิให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้ตั้งใจลงไปจริงๆเมื่อตั้งใจเต็มที่ได้ จิตใจก็ยอมสงบรังนับตั้งมั่นที่ยงตรงคงที่โยในจใจใจร้อนก็จะได้หายไปใจเย็นก็จะได้เกิดขึ้นมาแทนที่เพราะเจิดดวงผู้โลกมีโยในตัวเราทุกทุกคนจิตสังขารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิไม่ต้องเกี่ยวข้อง พระพุทธเจ้าทรงตัดใบว่านับติตันหาสมานาทิแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีตันหาความอยากความวุ่นวายในใจมนันลดปุถุชนคนเรานะมันวุ่นวายที่สุดเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิน้น เอกังจิตตังเอาจิตให้เป็นดวงเดียวเอโกธรรมโมเอาจิตให้เป็นธรรมดวงเดียวแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไม่ไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้าย ข, า ข, าข้างขวาเบื้องบนเบื้องต่ำไม่หนีจากที่นี้ปัจตตังเวทิตโพวิญโยทิ เวณโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงรู้แจ้งรู้จริงโยในจิตใจของตนนี้ให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาทำความเพียนละกิเลส เราทุกคนผู้เป็นสาวกในทางพุทธศาสนาก็ให้เลิกละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปโ่จุดดวงโลอยู่ในจิตใจนั้นให้ได้ไม่ได้ไม่ต้องถอยความเพียนเอาความเพียนเป็นที่ตักนี่แหละ เราท่านทั้งหลายจงพาันปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเยวังก็มีด้วยประการะนี สัพพิโยวิวัชันตุสัพพโลโควินสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาธนาสีริสเนจังบุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังขาดรัง